นิสักยาปาจิตติปัตตวักที่สามสิกขาบทที่หนึ่งว่าพึงทรงอติเรกบาทไว้ได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งภิกษุให้ล่วงกำหนดนั้นไปเป็นนิสักยาปาจิตติบาทนั้นเป็นของทำด้วยดินเผาบ้างด้วยเหล็กบ้างมีขนาดเล็กกลางใหญ่อันจะกล่าวในที่อื่น เป็นของทรงอนุญาตให้เป็นบริคารของภิกษุเฉพาะใบเดียวบาทอันภิกษุตั้งไว้เป็นบริคารอย่างนี้เรียกบาทอธิฐานบาทมากกว่านี้ตั้งแต่ใบที่สองขึ้นไปเรียกอติเรกบาทอติเรกบาทนั้นไม่ได้ทรงพระอนุญาตเกินสิบวันเป็นพิเศษดุจจีวอนที่ทรงพระอนุญาตในบางคราว ภิกษุให้ล่วงสิบวันไปเป็นนิสากคียะปาจิตติคำเสียสละแก่บุคคลว่าอย่างนี้ยังเมพันเตปัตโตทสาหาติกันโตนิสัคิโยอิมาหังอายะสมะโตนิสัตชามิแปลว่าบาทใบนี้ของข้าพเจ้าล่วงสิบวันจำจะสละข้าพเจ้าสละบาดใบนี้แก่ท่าน ทำคืนให้ว่าดังนี้อิมังปัตตังอายะสมะโตธรรมิแปลว่าข้าพเจ้าให้บาทใบนี้แก่ท่านไม่เสียสละบาทเป็นนิสาขิยะชายสอยต้องทุกข์กดบาทนั้นทรงอนุ ญ, ญาตให้วิกับได้ดุจจีวอนอธิบายนอกจากนี้รู้โดยในยะอันกล่าวแล้ว สิกขาบทปรารบอติเรกจีวร น, นิสักคยปาจิตติปัตตวัคสิกขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุใดมีบาทมีแผลย่อนห้าให้จ่ายบาทอื่นใหม่เป็นนิสักคยปาจิตติ ภิกษุนั้นพึงสละบาทนั้นในภิกษุบริษัทบาทใบสุดแห่งภิกษุบริษัทนั้นพึงมอบให้แก่บริษัทนั้นสั่งว่านี้บาทของท่านพึงทรงไว้คือใช้กว่าจะแตกนี้เป็นสามีจิ ก, กรรมคือการชอบในเรื่องนั้นรอยร้าวยาวตั้งแต่สองนิ้ว จัดว่าเป็นแผลแห่งหนึ่งแห่งบาทอย่าไม่ถึงนั้นไม่นับคำว่าจ่ายนั้นท่านแก้วไว้ในคำพีวิพังว่าขอบาทเป็นนิสักียะในสิกขาบทนี้ท่านให้สละในสงครั้นแล้วสงพึงสงมมติภิกษุรูปหนึ่งผู้ไม่รู้อำนาจอคติและรู้จักจะทำให้เป็นผู้เปลี่ยนบาท ภิกษุนั้นพึงเอาบาทใหม่นั้นถวายพระเทระเอาบาตของพระเทระถวายพระรูปที่สองเปลี่ยนเลื่อนลงมาโดยในยาน่านนี้จนภิกษุใหม่ในสงแล้วรับบาทของภิกษุใหม่นั้นมอบให้แก่ภิกษุนั้นไว้ใช้มีคำห้ามไว้ไม่ให้อธิษฐานบาทเลว็วด้วยหมายจะได้บาทดี ทำอย่างนั้นปรับเป็นทุกกฎการเปลี่ยนบาตเช่นนี้ไม่น่าจะเห็นว่าได้ดีกว่ากันเป็นลำดับขึ้นไปตั้งแต่สังฆนวิกะจนถึงพระสังฆเทระเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุบริษัทนั้นต้องพลอยได้พลอยเสียด้วยภิกษุผู้ต้องอาบัตินิสากคยาปาจิตตียังไม่เป็นธรรมปรากฏพอ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 คือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึง่งน้ำอ้อยภิกษุรับประเคนของนั้นแล้วพึงเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งภิกษุให้ล่วงกําหนดนั้นไปเป็นนิสักคยะปาจิตตีในคำภีวิพังแก่เภสัชห้าไว้ว่าเนยใสยเนยข้นนั้นทำจากน้ำนมโคบ้างน้ำนมแพบ้างน้ำนมกระบือบ้าง มังสะของสัตว์ใดเป็นกัปปิยะทำจากน้ำนมสัตว์นั้นก็ใช้ได้น้ำมันนั้นสกัดออกจากเมล็ดงาบ้างจากเมล็ดพันุ์ผักกาดบ้างจากเมล็ดมัทุกะที่แปลว่ามาซางบ้างจากเมล็ดละหุ่งบ้างจากเปลวสัตว์บ้างน้ำพึ่งนั้นคือรสหวานที่มแมลงพึ่งทำ น้ำอ้อยนั้นคือรสหวานเกิดจากอ้อยเพราะคำหลังนี้พระเทวรางรูปรังเกียจรสหวานอันออกจากต้นตาลความพอใจของท่านจะถือเท่าสท์แน่วไปไม่เพ่งถึงอัทรสมติของข้าพเจ้ารสหวานอันออกจากอ้อยก็ดีตาลก็ดีจากอื่นอีกก็ดี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 ออกจากอื่นก็มีเขาก็คงเรียกว่าน้ำตาลตามเดิมเพ่งเอาแต่อัทรสคําแก้บทผานิดว่ารสหวานเกิดแต่อ้อยหรือเรียกสั้นว่าน้ำอ้อยในคําผีวิพังนั้นก็เป็นอย่างเดียวกันที่นั้นพบว่าออกจากอ้อยก่อนก็ตั้งชื่อตามนั้นภายหลังพบว่าออกจากอื่นอีก ก็คงเรียกอย่างนั้นอีกอุธาหอนหนึ่งชาวมคตพบว่าน้ำมันออกจากมเมล็ดงาซึ่งเรียกว่าติลังจึงตั้งชื่อว่าเตลังแปลว่าออกจากมเมล็ดงาภายหลังพบว่าน้ำมันออกจากมเมล็ดอื่นก็มีออกจากเปลวมันก็มีก็คงเรียกว่าเตลังอยู่นั่นเอง ถ้าเข้าใจว่าใช้ได้เฉพาะรถเกิดแต่อ้อยเท่า น, นั้นแล้วอย่าใช้ซะเลยดีกว่ารู้ด้วยอย่างไรว่าน้าตาลใ น, นทุกวันนี้ทำออกจากน้าอ้อยเอหตุไฉนไนส่งพระอนุญาตให้ใช้ได้เพียง7จดวันเป็นอย่างมากนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าเพื่อจกักการใช้ของเสียเช่นมีกลิ่นหืนและมีรสเปรี้ยว อย่างไรก็ตามภิกษุให้ล่วงเจ็ดวันไปเป็นนิสักขีคําเสียสละแก่บุคคลว่าอิทังเมพันเตเพษัชชังสัตตาหาติ ก, กันตังนิสักขยังอิมาหังอายะสมะโตนิสัชฌามิแปลว่าเพษัสนี้ของข้าพเจ้าล่วงเจ็ดวัน จ, จําจะสละข้าพเจ้าสละเพษัสนี้แก่ท่าน คำคืนให้ว่าดังนี้อิมังเพษัทชังอายัสมะโตธรรมมิแปลว่าข้าพเจ้าให้เพษัทนี้แก่ท่านท่านสั่งไว้ว่าได้เพษัทที่สละแล้วคืนมาภิกษุนั่นเองก็ดีภิกษุอื่นก็ดีอย่าฉันใช้ในกิจภายนอกเป็นต้นว่า ตามไฟและผสมสีได้อยู่ภิกษุอื่นท่านอนุ ญ, ญาตให้ใช้ทากายได้ด้วยปูกใจไว้ก่อนว่าจะไม่บริโภคล่วงเจ็ดวันไปไม่เป็นอาบัติของนั้นสูญหายไปเสียก็ดีขาดจัก ร, รมสิทธิ์ของตนแล้วก็ดีในภายในเจ็ดวันชื่อว่าไม่มีแล้ว ไม่เป็นวัตถุแห่งอาบัติท่านกล่าวว่าสละให้ขาดแก่อนุปัสมบันิแล้วได้คืนมาฉันได้อีกถ้าเภศัชล่วงเจ็ดวันแม้ภิกษุอิ่มก็ฉันไม่ควรน่าจะไม่ควรเหมือนกันแต่จะเรียกว่าไม่เป็นนิสักียะได้อยู่ พิสัคยาปาจิตติปัตตวสิกขาบทที่สี่ว่าภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพึงสแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนได้รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนพึงทานุ่งได้ถ้าเธอรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ำกว่าหนึ่งเดือนสแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝน รู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ำกว่ากึ่งเดือนทมนุ่งเป็นนิสักคียะปาจิตติผ้าอับน้ำฝนนั้นเป็นของทรงพระอนุญาตเป็นบริการพิเศษชั่วคราวของภิกษุอธิษฐานไว้ใช้ได้ตลอดสี่เดือนฤดูฝนพ้นนั้นเป็นธรรมเนียมให้วิกับคือทำให้เป็นของสองเจ้าของ ในสิกขาบทนี้ทรงพระอนุญาตให้สแสวงหาล้ําฤดูฝนเข้ามาหนึ่งเดือนคือตั้งแต่เดือนเจแรมค่ำหนึ่งถึงเดือน8ขึ้นสิบห้าค่ำให้ทํานุ่งล้ําฤดูฝนเข้ามาเึ่งเดือนคือตั้งแต่เดือน8ขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้นสิบห้าค่ำพระพุทธอนุญาตให้สแสวงหานั้นน่าจะให้ประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นขอเข้าได้ตรงตรงและเก็บไว้ได้นานกว่าอัติเรกจีวรสามันแต่การขอเข้าตรงตรงนั้นท่านห้ามไว้ในคำภีวิพังท่านอนุ ญ, ญาตให้บอกเขาเพียงว่าถึงการแห่งผ้าวัสิกาสาดกละคือผ้าอาบน้ำฝนและผ้าที่หาได้มาแล้วมีคติเป็นอย่างไรท่านไม่กล่าวถึง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 ถ้าภิกษุสแสวงหาล้กำกําหนดนั้นแต่หาในสำนักญาติอันไม่เป็นวิญญัตจะได้บริหารอย่างอธติเรกจีวรหรือไม่หรือสักว่าต้องการเป็นผ้าอาบน้ำฝนสแสวงหาล้กำกําหนดได้มาก็เป็นนิสสาขีไม่ได้บริหารอย่างอธติเรกจีวรถ้าอย่างนี้ใครจะโง่เกินไปจนถึงจะให้ต้องอาบัติในสิกขาบทนี้ อย่างไรก็ยังมีทางแก้ตัวอีกว่ารับมาโดยฐานเป็นอธิเรกจีวรต่างหากอันหนึง่งถ้าภิกษุทำนุ่งล้ำเขตพระพุท ธ, ธานุญาตจะกำหนดต่างอย่างไรจากนุ่งอธิเรกจีวรข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าใจว่าการสแสวงหาล้ำเขตพระพุท ธ, ธานุญาตนั้นหมายเฉพาะขอต่อขฤหรือหัดผู้มีชยญาต มิใช่คนปะวาราณาแม้จะขอโดยฐานเป็นอธิเรกจีวรก็คงเป็นนิสัขีในสิกขาบทอันปรารบการขอจีวรเหมือนกันการทำนุ่งนั้นหมายเอาอธิษฐานไว้ใช้เป็นผ้าวัสิกาสาดกือผ้าอาบน้ำฝนถ้าสแสวงหาในสนักญาติและคนปะวาราณาที่ไม่เป็นวินยัติ และใช้นุ่งด้วยม่ได้อธิษฐานเช่นนี้ได้บริหารอย่างอธิเรกจีวรไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้อันหนึ่งอัฏฐแห่งสิกขาบทนี้บ่งว่าอาบัตเป็นสจิตกะคือต้องมีความจงใจมีเจตนาแต่ในคำพีวิพังท่านแก้เป็นอจิตกะพิจารณาดู ก็น่าจะเป็นจริงอย่างนั้นต่างว่ายังไม่ถึงการกำหนดภิกษุสำคัญว่าถึงแล้วด้วยนับวันพลาดไปสแสวงหาผ้าอาบน้ําฝนในสํานักคารืหัสมีใช่ญาติมีใช่ปวารณาดังนี้จะว่าไม่เป็นอาบัติเลยก็ไม่ได้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าความแห่งสิกขาบทนี้ไม่ได้เพ่งถึงความเข้าใจผิดเลยถือเสว่า